การนมรสการท่านพระอาจารย์ในบรตาที่เคารพอย่างสูงช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่จะขอให้ท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาไขาข้อข้องใจทําความเข้าใจให้ตรงกันนะเจ้าคะหลังจากที่ได้ปฏิบัติไปแล้วหนึ่งบรรลังนําโดยท่านพระอาจารย์โพธิญาณนะคะมีคําถามขึ้นมาหลหลายคําถามเลยคะ่ะขออนุญาตขอโอกาสอ่านเลยนะเจ้าคะ การปฏิบัติอาณาปานสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมผัสปลายจมูกทำควบคู่ไปกับการท่องพุทธโธได้หรือไม่ครับการกาหนดอาณาปานสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมผัสที่ปลายจมูกทำควบคู่ควบคู่ไปกับการท่องหรือบริกรรมพุทธโธได้หรือไม่ครับ ชอบทำใช่ัหมก็คำทมที่ดีในกรรมฐานสีสิบอนาบานะก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งพุทธานุสติก็อีกชนิดหนึ่งอนาบานะเข้าถึงฌานได้พุทธานุสติ ไม่สามารถเข้าถิ่นัานได้ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทูงสอนกรรมฐานสี่สิบไม่มีคาสั่งที่จะปฏิบัติผสมกันต้องปฏิบัติเดละกรรมฐานที่ไม่เหมือนกัน อนาบนานสติคือการกำหนดรู้ลมตรงที่กระทบถ้าเราปฏิบัติอนาบนานสติต้องบริการว่าเข้าในเวลาหายใจเข้าต้องบริการว่าออกในเวลาหายใจออกถ้าสามารถกำหนดรู้ลมเข้าลมออกได้อย่างติตะต่อเนื่องนานๆสมาธิจะดีขึ้น ในที่สุดสามารถเข้าถิ่นฌานได้แต่ในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ธานุสติมีพระพุทธคุณทั้งหมดเก้าอย่างที่เป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิจ า, จารณนสัมปันโ์สุกตโลกวิจู อนุตตรบุริสัตถมัสราิสัจชายวะมนุสสนาพุทโภคาวะพุทโธก็เป็นพระพุทธคุณชนิดหนึ่งพุทโธเดลโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติพุทธานุสติที่ถูกต้อง ถ้าอยากจะปฏิบัติพุทธานุสติไม่ต้องกจำหนูรู้เราถ้าเราเป็นบุคคลที่จําได้พระพุทธรูปรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็หลับตาแล้วก็ใส่ใจพระพุทธรูปถ้าสามารถใส่ใจพระพุทธรูปก็ต้องพิจารณาพระพุทธคุณ อันใดอันหนึ่งสมมติว่าในเวลาที่เห็นพระพุทธรูปแล้วถ้ายองทั้งหลายอยากจะพิจารณาพระพุทธคุณอันแรกที่เป็นอรหันผู้ไกลจากกิเลสอรหันผู้ไกลจากกิเลสบางครั้งขค่คำบาลิบางครั้งคำพระบาลี ด้วยความหมายพระ พ, พุทธานุสติคือภาวนาที่ต้องพิจารณาพระพุทธคุณในเวลาที่พิจารณาพระพุทธคุณอรหรันอาอรหรันผู้ไกล้จากิเลสเรา ต้องพิจารณาพระพุทธคุณด้วยสติด้วยความเข้าใจถ้าทำแบบนี้พระพุทธรูปจะหายไปถ้าพระพุทธรูปหายไปไม่ต้องใส่ใจแล้วพระพุทธรูปไม่ใช่อารมณ์พระพุทธคุณเป็นอารมณ์ต้องทำต่อแต่ พ, พิจารณาพระพุทธคุณแค่ไหนก็ตามเราไม่สามารถเข้าถิน่นฌานได้ นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครๆที่สามารถเข้าใจพระพุทธคุณเท่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติพระพุทธคุณแค่ไหนก็ตามเราไม่สามารถเข้าถึงัานได้สามารถเข้าแค่อุเบชาระสมาดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริการพุทโธในเวลาคำเดินรู้ลมเข้าลมออกเราไป ลปกวนอนนาบานสติเราจะไม่สามารถเข้าฌานได้แล้วทำไมเราไปพิจารณาพุโทโธมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอนนาบานาสติก็แค่บริการว่าเข้าในเวลาหายใจเข้าบริการว่าออกในเวลาหายใจออกนี้เป็นคำอธิบายที่ปรากฏในวิสุดีมาก เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่อยากจะปฏิบัติพระพุทธคุณก็ไม่ต้องกำเนิดรู้ลมเข้าลมออกแค่พิจารณาพระพุทธคุณแต่ในเบื้ต้นต้องใส่ใจพระพุทธรูปรูปใดรูปหนึ่งบางคนเคยได้พบพระสมัสัมพุทธเจ้าในอดีตในเวลาที่ใส่ใจพระพุทธรูปพระพุทธพระพระพุทธองค์เองปรากฏมาก็มี แต่ในเวลานั้นเราต้องพิจารณาพระพุทธคุณถ้าพระพระพุทธรูปหายไปก็ไม่ต้องหาไม่ต้องใส่ใจแล้วเข้าใจไหมเข้าใจดีไหมเข้าใจค่ะคำถามที่สองนะคะให้จับลมหายใจเข้าออกว่าไปกระทบตรงไหน ถามว่าจะใช้ลมหายใจข้างซ้ายหรือข้างขวาคะให้จับลมหายใจเข้าออกไปกระทบตรงไหนถามว่าให้ใช้ลมหายใจเข้าข้างซ้ายหรือข้างขวาคะด้านไหนดี <c oughs> ด้านดีดีดันด้านนั้นไม่ดี บางทีรู้สึกใช่ไหมความจริงก่อนที่อัตมาปฏิบัติอนาปานสติอัตมาคิดว่าเราหายใจทั้งสองด้านความจริงเราใช้ด้านเดียวมากกว่าแค่บางครั้งบางคราวเราใช้สองด้านด้วยกันบางครั้งบางคราว เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอนาปนานสติบางทีเรารู้สึกลูมด้านขวาตอนนั้นอยาคิดว่าผิดถูกอยู่แล้วแค่กำหนูรู้ลมที่นั่นแต่อย่าไปอย่าไปสังเกตว่าอันนี้ด้านขวาทำไมบางบางครั้งเราใช้แค่ด้านขวาเดือน นา น, น, านเพราะฉะนั้นเราคุ้นเคยกับด้านขวามากขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนด้านซ้ายไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับมันเดือนแล้วใช่ไหมก็ยากที่จะกมหนดเพราะว่าเราไปติดด้านขวาเพราะฉะนั้นอย่าไปสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ลมเข้าลมหายใจเข้าหายใจออก ที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายอย่าไปสังเกตถ้าเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเถิดที่ไหนที่โยมรู้สึกโลมกำดูโลมที่นั่นด้านขวาหรือด้านซ้ายก็แล้วแต่ถ้าทําแบบนี้แม้แต่เปลี่ยนไปก็จะไม่รบกวนจิตของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกโลมที่ใดที่หนึ่ง แถวๆจมุกปลายจมุกด้านขวาหรือด้านซ้ายทุกอย่างก็ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่กำ โ, โดยรู้ลมโดยไม่ไปสังเกตว่าอันนี้ด้านซ้ยด้านขวาก็เรียนถามต่อเลยนะเจ้าคะการเรียนพระอาจารย์ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีลมหายใจจะกาหนดดูอะไรคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติอานาบานสติต้องประสบในระหว่างทางปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอานาบานามากขึ้นมากขึ้นโลมและเอียนมากขึ้นอันนี้เป็นขบวนการถ้าโลมและเอียนมากขึ้นในที่สุดสติไม่พอโลมหายไปถ้าโลมหายไป เตือนตัวเองหน่อยเดี๋ยวนี้การปฏิบัติดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเพราะว่าลมถ้าได้ประสมลมที่ละเอียดหมายความว่าการก้าอันนี้เป็นการก้าวหน้าการประสมลมที่ละเอียดคือการก้าวหน้าแต่ถ้าลมละเอียดมากขึ้นสติไม่พอเพราะฉะนั้นอันนี้หายไปได้ ถ้าหายไปไม่ต้องการวนอย่าไปหาที่นี่ที่น่นอย่าหายใจแรงๆด้วยตอนนั้นที่สำคัญต้องทำให้จิตสงบถ้าลมหายไปไม่ต้องการวนทำให้จิตสงบปล่อยทั้งหมดถ้าจิตสงบดีด้วยจิตนี้ ถ้ารอแถวแถวนี้ลมจะกลับมาแต่ถ้ามีการมีความการวนไปทำนี่ไปทามน้นไปหาที่นี่ที่โน้นจะเป็นนิวรนจิตไม่สงบลมจะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นถ้าลมหายไปอันนี้ประสบการณ์ของผู้บดีบัตรทางหลาย ผู้ที่ได้เจรินอานาบานาถึงฌานก็ได้ผ่าน น, นั้นไปได้ประสบ น, นั้นมาแล้วแต่ต้องผ่านให้ต้องพยายามฝึกเพื่อจะสามารถกําหนดรู้ลมที่ละเอียดอย่างติดต่อต่อเนื่องนานๆผู้ที่สามารถเขา้าผู้ที่สามารถปฏิบัติอนาบาน า, นาได้อย่างสำเร็จคือ ผู้คนที่สามารถกำหนดรู้ลมที่ละเอียดอย่างติดต่อต่อเ น, นื่องนานๆแต่ไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้ประสบความลำบาในเวลาที่ลมละเอียดมากขึ้นทุกคนได้ประสบความลำบาหายไปแต่ตอนนั้นไปกันวนไปธ ร, รมนี้ไปธ ร, รมนั้นแล้วไม่กลับมาแต่นานๆกลับมาไม่ละเอียดแล้ว ลมที่หยาบอันนี้หมายความว่าสติไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าลมและเอียดหายไปทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบดีด้วยจิตนี้ถ้ารอแถวแถวนี้ลมจะกลับมาแต่ถ้าลมกลับมาก็แค่นิดเดียวและเอียดบเบาและบางมาก ที่สัมพัสอยู่ที่ใดที่หนึ่งโยมต้องกําหนดรู้ตามที่เป็นอยู่อยู่จะพูดจะบอกอีกลมโยมต้องกําหนดรู้โลมที่ละเอียดอย่างโกลมเกลงอันนี้สำคัญแล้วก็ไม่ควรอาศัยความชอบไม่ชอบตอนนั้นโลมที่ละเอียดกําหนดยากส่วนมากเราไม่ชอบ เพราะว่าอันนี้ยากถ้ายากเราไม่ยินดีไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้จะไม่ดีเราต้องยินดีต้อนรับลงที่ละเอียดแล้วก็ต้องกำหนดรู้ตามที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืนถ้าสามารถประคับประคองลงละเอียดได้อย่างติดต่อต่อเนื่อง เน่ใจสมาธิจะดีขึ้นเข้าใจใช่ัหมขอโอกาสคำถามต่อไปนะคะการเฝ้าดูรมที่กระทบถ้าถ้าเราเห็นต้นรมกลางรมปลายรมเราจะต้องตามรู้สึกหรือไม่ คือไปมีความรู้สึกต้นลมที่ต้นจมูกกลางลมที่เน้าอกแล้วก็ไปเห็นปลายลมที่ท้องเราต้องตามไปหรือไม่เจ้าคะชอบทำไหม <c oughs> ก็ดีเหมือนกันคำถามที่ดีไม่ได้เหมือนความว่าควรตามไม่ควรอันนี้ไม่ถูกในวิสุทธิมักมีคำเดือน อย่าทำแบบนี้เ่มีครูบาอาจารย์ที่สอนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายที่สนใจการปฏิบัติก็ได้ทำแบบนี้ผิดทั้งหมดไปเพราะว่าจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเนื่องเป็นจิตที่มีสมาดิถ้าทำไปจิตที่รู้อารมณ์เดียวมีไหมมีไหม เข้ใจไหมถ้าเราตามไปที่นี้จนจนโลงกลางโลงปลายโล่จงจิตที่รู้อารมณ์เดียวมีไหมไม่มีแล้วไม่มีวันที่สามารถเจเริยเข้าถิ่นฌานได้มีคําเตือนอย่าทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ไม่สามารถเจเริยสมาธิที่ลึกซึ้งได้ อาจจะได้ประสบความสุขสงบไม่ได้ไม่สามารถไปมากกว่านี้จนลงกลางลงปลายลงเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สับบากายปฏิสังเวรีอสสาศะเสศามีติเิคารีจะกํานิดรูล้ลมสับบากกายอันนี้หมายความว่าตลอด ทางจนโลมกลังลงปลายโลเดี่ยที่นี้ต้องเข้าใจตจนโลมอยู่ที่ไหนกลังโลงอยู่ที่ไหนปลายโลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวธรรมาจะให้อุปมาอันนี้จุดกระเทือนะที่นี่อันนี้จุดกระทือในเวลาหายใจเข้าอันนี้กระเทืที่นี่แล้วก็ พันผ่ น, ผนที่นี่ไปแล้วก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมต้นลมมีอยู่ที่นี่กลางลมก็มีอยู่ที่นี่ปลายลมก็อยู่ที่นี่ต้นลมกลางลมปลายลมหมายความว่าต้องกำเนิดรู้ที่นี่ในช่วงแรกผู้ปฏิบัติทั้งหลายแค่กำเนิดรู้เข้าออก ลวมลวงเข้าออกแต่ถ้าสามารถกำหนดรู้ลงได้ถึงสี่สินาทีชุ่โมงติดต่อตอนนั่นสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นในช่วงเวลานั้นถ้าอยากจะกำหนดรู้ต้นลงกลางลงปลายลงก็สามารถทำได้ แต่ก่อนที่จะสามารถกำเนิดรู้ได้นานถึงสีเสพบหนึ่งชั่วโมงไม่ควรไปกรเนิดรู้ต้นลงกลางลงปลายลงเพราะว่าสติไม่พอถ้าไปทำก็จะจนเหนื่อยพร่ไม่ไหวที่จะทำเพราะฉะนั้นต้นลงหมายความว่าที่นี่ในเวลาที่ลงเลื่อมกระทบอันนี้เป็นต้นลงแล้วก็ผ่านไปผ่านที่นี่ไปอันนี้ปลายกลางลง แล้วก็อยุ่ที่นี่ใช่ไหมนนี้ก็เป็นปลายโลหมายความว่าเราต้องกาหนดรู้และเอียดเท่าที่สามารถทำได้ในวิสุดีแมคมีคำที่บาบในเวลาที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ต้นโลงกลางโลงปลายโลงบานคนรู้แค่ต้นโลง บันคนรู้ต้ลลลลลน ล, ลมและปลายลมบันคนรู้กลางลงและปลายลมบานคนรู้ต้นลมและกลางลมบันคนรู้แค่ปลายลบางบันคนรู้ทั้งต้นกลางและปลายลงไอ น, นี้ตามความสามารถของตัวเองตามกำลังของสติเพราะฉะนั้น เราไม่ควรทำให้ให้รู้ต้นกลางปลให้ได้ไม่ใช่แบบนี้ตามความสามารถเราควรทำแต่แค่ในเวลาที่ในแค่ถึงเวลาเราควรทำถ้าเรายังไม่สามารถกำหนิรู้ลงได้อย่างติดโ ต, โ ต, โต่อตอนนั้นนานถึงชัมมง่วโมง อย่าไม่ควรทำขอโอกาสคำถามต่อไปนะคะการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องทำสมาธิให้ถึงอุปจาระสมาธิก่อนหรือไม่หรือเพียงใช้แค่คนิกะสมาธิเท่านั้นไม่มีอปปนานจรัสมาไหนคำถาม มีแค่อุปชาราสมาดีและคณิกะสมาดีคำท่านนี้ก็ดีเหมือนกัน <laughs> ในเวลาปฏิบัติวิปัสสนาสมาดีที่เกิดขึ้นคือคณิกะสมาดีโดยคณิกะสมาดีเราปฏิบัติวิปัสสนาอันนี้ถูกต้อง คันิกาสมาดิคนิกาสมาดิคืออะไรอันนี้เป็นที่สำคัญโยมเข้าใจอย่างไรคณนิกาสมาดิคืออะไรเป็นอาการของสมาดิอาการแบบไหนโ ย, ย สมาดิสันสนอืมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคณิกาสมาดิ g นใ e อังกฤ h ภาษาอังกฤษแปลว่ามุมเมนทรี o n นซ n ณทริชั n ภาษาไทยแปลว่าสมาดิสันสภาษาบาลี บอกว่าคณิกะสมาดีความผิดไม่ได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติความผิดอยู่ที่คำเปลาตามความชอบของครูบาอาจารย์นายวิสุดิมากมีคาปฏิบายอะไรคือคณิกะสมาดี อยากจะฟังไหมน่าสนใจเหมือนกันเข้าชั้นชั allora um ้นที่หนึ่งปฏิบัติอนาบานสติกรมทันแล้วก็สมาธิดีขึ้นแสงปรากฏขึ้นมาในที่สุดแสงมารวมกับลมเข้าลมออกเป็นอันเดียว แสงก็เป็นลมลมก็เป็นแสงเป็นอันเดียวถ้าลวมกันเป็นอันเดียวนั้นถึงสสบนาทีแสงมั่งคงดีตอนนั้นเราต้องกำหนดรู้แสงเทนโลมอารมณ์กรรมฐ า, านของฉานคือแสงไม่ใช่ลม ถ้าแสงและลมรวมกันเป็นอันเดียวนานถึง30สบนาทีต้องเปลี่ยนอารมณ์กำลวดรู้แสงเทนโลถ้าสามารถกำลวดรู้แสงนานถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสามารถเข้าฌานได้ผู้ที่สามารถเข้าฌานได้แล้วถ้าสมาธิมีกําลังมากขึ้น ต้องดูที่ภาวังผ่าวังคือมนโนทวันเข้าใจไหมมนโนทรวนโยมเข้าใจไหมไม่เคยได้ยินจะกูทวันเข้าใจไหม จะว่ายังไงดีมโนทวันมีมีมีภาษาง่ายๆยไหมช่วยด้วยเป็นประตูของจิตประตูของจิตใช่ประตูของตาเดี๋ยวนี้โยมเห็นอาตมาใช่ไหม ทำไมโยมเห็นเพราะว่ารูปภาพของโยมเพราะว่ารูปภาพรูปพของอัตมาไปกระทบจักกุประสาใช่ไหมทำไมเราได้ยินเพราะว่าเสียงไปกระทบโ ส, สตปะสานอกจากรูปารโร สัาโารเสียงกาณาโรคลีนรสารโรดพุทธาบารูสัมพัสความคิดต่างๆความการพิจารณาต่างๆทั้งหมดเกิดที่มโนทวนมโนทวนคือประตู ประตูตปตูจิตประตูเข้าสู่จิตประูเข้าสู่จิตถูกไหมใช่ <laughs> แต่น่าสนใจอยู่ยนี้โยมเห็นอาตมาใช่ไหมก็เข้าใจกันว่ารูปภาพของอาตมาไปกระทบจ<ส>ักรุประสาทในเวลาเดียวกันรูปภาพของอาตมา ไปสัมพัสไปกระทบที่มโนทวนด้วยกันหนึ่งอารมณ์กระทบสองประตูรูปารมณ์กระทบจักรุปรสตัตและหวังที่เป็นประตูเข้าประตูจิตใ น, นเวลาที่โยมได้ยิงเสียงเสียง กะทุกขโซดาตปสาในเวลาเดียวกันอันนี้ไปกะทุกที่พะวงพะวงคือมโนทวมนมโนทวนคือประตจิตเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยจะเจอที่วบตอเดี๋ย <laughs> วตามา อาจจะเป็นก่อนที่มาที่นี่อาจจะมีบุคคลที่ได้ฟังดนตรีดังดังดังดนตรีที่เขาเขาทําให้เสียงเบสเสียงเบสสูงมากดึงดึงจะเป็นจะเป็นอะไรที่นี่มหากระทุกใช่ไหมดิงดิงใช่ไหมมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปเดียวที่สามารถเข้าใจอันนี้ได้อารมณ์ใดอารมณ์ไหนที่เป็นกามารมณ์ห้าอย่างรูปารมณ์สถา ร, รมณ์กันฑารมณ์รส า, ารมณ์ ร, าารักพอทัปปารมณ์ทั้งหลายกระทบประตูของดนรูปารมณ์กระทบสัตปัสสแล้วก็กระทบที่ผวางด้วย สัต ด, ดารมเสียงกระทบโซดาบสัตแล้วก็กระทบที่ผวังใช่หรือไม่ใช่ไหม ใ, ใ, ในเวลาได้ยินดนตรีเสียงดังๆแบบนี้ใครได้ประสบมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพระพุทธเจ้าทรสงสอนไว้ในอภิธรรมไม่มีที่ไหนในอภิธรรมอาตมาได้ยินว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับอภิธรรมปฏิเสธมีกลุ่มที่ยอมรับอภิธรรมผู้ที่ไม่ยอมรับอภิธรรมเป็นผู้ที่โชคร้ายจริงจริงจริ ง, รงทําไมทําไมเราเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ พระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรัพเพยูทำไมเราเข้าใจเพราะว่าในเวลาเราศึกษาอภิธรรมได้เข้าใจว่าความรู้ของ่านของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนไปเห็นที่ น, นู่นในพระสูตร อันนีก็แค่ธรรมดาธรรมดาแค่นี้เพราะฉะนั้นที่อาตมาเมื่อกี้นี้อธิบายหนึ่งอารมณ์กระทุ้งสองทวานนั้นมีแต่คำปฏิบายในอภิธรรมที่เราได้ประสบในชีวิตประจำวั น, วนก็เคยประสบมาแล้วเสียงมากระทุ้บางทีก็ตกใจใช่ไหมทำไมมากระทุที่นี่ ถ้าโยมมีสมาดิโยมอจะเข้าใจลึกซึ้งมากกว่านี้เมื่อกี้นี่คำถามอะไรคำถามว่าวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนาจะต้องถึงอุปจารก่อนไม่เพียงแค่คณิกะสมาธิเท่านั้น เขาเขาฌานที่หนึ่งอนนาบานาชฌานที่หนึ่งถ้ามีสมาธิมีกำลังอัตมาสอนลุกซึก้เพื่อจะมองดูที่นี่เพื่อจะเห็นผวังที่เป็นมนโนทานที่เป็นประดุจิตผวังคือผวังคือสิ่งที่เจ้ามากถ้ามองดูที่นี่ก็เห็นแสงเหมือนกัน แสงที่จ้า ก, กว่านิมิตที่ผู้ปฏิบัติกรรมโนดที่นี้แล้วต้องพิจารณาให้เห็นนิมิตแสงที่ปรากฏที่นี่ต้องเห็นที่ปรากฏในผ้าว่างเหมือนรูปารูมาปรากฏในผ้าว่าง ในเวลาที่ผู้ปฏิบัติการหนูแสงแสงนี้ปรากฏในพ้วังเหมือนกันแต่ต้องพิจารณาให้เข้าใจด้วยตัวเองถ้าเข้าใจแล้วถ้ามองดูถ้าพิจารณาดูต่อไปผู้ปฏิบัติก็จะเห็นวิถีจิตในวิถีจิตมีมีจิตตขณะจิตตขณะเข้าใจไหมดวงจิต วิธีจิตคือจิตที่เกิดขึ้นต่อๆกันในหนึ่งวิธีเดีด๋ยวเดูดูอาตมาหน่อยอันี้เห็นเห็นมือนิ้วอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนิ้วอนันกี่นิ้ว ส, สิบนิ้ ว, วอันนี้ในวิธีจิตมีหลายๆจิตตะขณะอันนี้จิตตะขณะอันแรก จิตตขณะอันที่สงอันที่สามอันที่สีอันที่หอันที่หอันที่เอันที่แอันที่เอันที่สิบในเวลาที่โยมเห็นอาตมาวิธีจิตเกี่ยวข้องกับการเห็นเกิดเข้าใจไหมวิธีจิตเกี่ยวข้องกับการเห็นเกิดขึ้นทั้งหมดมีสิบส่จิตตขณะอดี๋ยวนี้สิใช่ไหมเดี๋ยวรวมอีก4 อันนี้เกิดเกิดแล้วก็ดับแในเวลาอันนี้ดับไปอันนี้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับอันนี้เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับแบบนี้โยมจะเห็นที่นี่เดี๋ยวนี้โยมไม่เห็นใช่ไหมทําไมไ ม, ไม่มีสมาธิา <laughs> พูดที่มีสมาธิในเวลาอาตมากําลังสแสดงธรรมถ้าจริยสมาธิหลาบตาแล้วก็ ฟังธรรมเห็นวิธีเจตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วในแต่ละจิตตขณะในแต่ละจิตตขณะอันนี้มีเจและเจตตสิกมีเจและเจตสิกอย่างมากมายอันนี้เกิดดับอย่างรวดเร็วไม่ใช่ธรรมดาเกิดดับอย่างรวดเร็วในเวลาที่เห็นความเกิดดับของ จิตและจิตเดชิกแต่ละจิตตขณะยงพิจารณาอนิจจันโดยเห็นความดาบับความเกิดดบับแล้วก็พิจารณาดุขนันพิจารณาอนาัตตาัตอนนั้นสมาดีที่เกิดขึ้นคือคณิกะสมาดีมีพลังแค่ไหนเข้าชัน เขาชันในเวลาเข้าชันก็เป็นอัปนาชานสมาดิไม่ใช่อุปัชาราสมาดิอัปนาชานสมาดิแต่ในเวลาพิจารณาอนิจจันตุขันธัญตอนนั้นไม่ไม่ใช่อัปนาชานสมาดิสมาดิที่เกิดขึ้นขอเรียกว่าคณิกาสมาดิมีพลังมากใช่ ในเวลาปฏิบัติสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นคือคันดิกะสมาธิแต่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่แบบที่คนเราเข้าใจกันพระชนะอตมาบอกความผิดไม่ได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติอยู่ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนอนาบานาเซฟานาที จิตสงบขรแล้วก็ให้ลูกสึกพิจารณาอนิจจั์ตุขนนนดดันธนันตเดีแตยาไม่รู้อย่าไม่เห็นรู้นามปรมาตย์เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คณิกาสมาธิเพราะใจไหมเพราะใจรีบเราเพราะฉะนั้นต้อง ต้องไปถึงคณิกะสมาดิแท้จริงถ้าถ้าปฏิบัติแบบที่พระสุทมาสามพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราไปถึงได้ถ้าเป็นสมาธญยานนี้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสัง่งของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนี้ก็ต้องปฏิบัติตามแล้วในเวลาปฏิบัติอันวิปัสสนาสมาดิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคณิกะสมาธิที่แท้จริง แต่ไม่มีอัปนาชาตสมาธิไม่มีอุปชาราสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาไม่สามารถไปถึงคันดิกาสมาธิได้คำถามต่อไปนะคะแล้วก็มีหลายๆใบเลยการกำหนดลมหายใจแล้วหากง่วงนอนมีวิธีขจัดความง่วงได้อย่างไรคะ ไม่อยากงวนใช่ไหมทุกคนก็เป็นแบบนี้ในเวลาปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหานี้เราต้องเข้าใจนิสัยของเราความจริงคนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์ที่เปลี่ยนกุศลคนเราชอบ อยู่กับอารมณ์ที่สามารถดินดุเจิตของเราได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสีสันไม่มีความดินดุดเราไม่ชอบอะไรคืออารมณ์ที่สามารถดินดุดจิตของเราได้กามารงทั้งหมดกามารงทั้งหลายมีความสวยงามมีสีสันมีความดินดุใช่ไหม สนใจกันไม่ง่วงไม่ต้องครูบาอาจารย์ถูกเลยไหมใช่ไหมถ้าเราได้อยู่กับกามารมณ์สนใจมากลืมจะง่วงแต่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์กรรมฐาน การอารณมณ์กรรมฐานไม่มีสีสันอะไรไม่มีอะไรที่สามารถดึงดูดจิตของเราได้เพราะฉะนั้นความสนใจที่เกิดขึ้นกับกามารูปเป็นอย่างอัตโนมัติแต่ความสนใจในอารณมณ์กรรมฐานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำด้วยความความสนใจจะ ง, ง่วง โดยโดยเข้าใจนิสัยใจของของเรานิสัยใจของของเราอย่างไงเราชอบทำตามกิเลส น, นี้นิสัยของเราใช่ไหมแต่เราชีวิตเราชอบทำตามกิเลสทำอะไรก็ตามกิเลสแต่ในเวลาเรามาปฏิบัต เราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราปฏิบัติกิเลสไม่ชอบสิ่งที่เราทำอยู่กิเลสชอบแค่กามารมณ์กิเลสไม่ชอบอารมณ์กรรมฐานถ้าเราสติขาดไปปัญญาอ่อนไป จะง่วงเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความสนใจในการปฏิบัติแม้แต่ไม่สามารถดิ้นดุจจิตของเราโดยความเข้าใจว่าอันนี้สำคัญแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนโดยความเข้าใจนี้เราควรสนใจอารมณ์กรรมฐานให้มากขึ้นถ้าปฏิบัติ ด, ด้วยความสนใจ เราสามารถอยู่กับมันมากขึ้น ส, สมาดีดีขึ้นความสุขสงบจะเกิดขึ้นตอนนั้นความสุขสบายความสุขสงบที่เกิดขึ้นในเวลาที่สมาดีเกิดขึ้นนั้นเราหาความสุขแบบนี้ในากามารไม่ได้ตอนนั้นความสนใจในการปฏิบัต ในการปฏิบัติจะมากขึ้นอยู่กับอารมณ์จะได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเราต้องให้มีความสนใจกับอารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าทําแบบนี้จะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็โปลเข้าใจตัวเองหน่อยเราชอบทําตามกิเลสในชีวิตของเรา กิเลไม่ชอบสิ่งที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นกิเลกิเลสตต้านเราอย่าทำอะไรนี้ต่อไปฉันงวนแล้วต่อต้นเราก็ไปร่วมมือกับมันใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ก็เปลี่ยนจิตเปลนนิสยัยถ้ากิเลสไม่ชอบเราก็ไม่อยากทําแล้วเราไปร่วมมือกับกิริ เพราะฉะนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้อย่าไปฟังกิเลสอย่าไปลูกมือกับมันปรปราบจิตของตัวเองให้มีสติมากขึ้นให้มีความสนใจมากขึ้นแล้วก็ต้องพิจารณาความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติไม่อย่างนั้นจิตไม่อยากทำต่อไปสิ่งที่ไม่อยากถ้าอะไรที่ จิตไม่อยากทำอะไรที่จิตไม่สนใจจังวนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นธรรมดาเดถ้าเราเข้าใจแบบนี้ด้วยความความเข้าใจแบบนี้ถ้าเราพยายาม่อไปสามารถแก้ปัญหานี้ได้เหมือนกันคำถามต่อไปนะคะมีหลายใบเหมือนกันเขาการเรียนถามพระอาจารย์ให้เรารู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวใช่ไหม ไม่ต้องไปรู้การเคลื่อนไหวอื่นๆเช่นการเดินการนั่งให้รู้ไม่ต้องรู้อาการตึงหย่อนของร่างกายให้รู้หรือไม่ให้รู้ซ้ายรู้ขวาให้รู้แต่ลมหายใจใช่ไหมใช่ <laughs> คำเดียวจ <laughs> ไม่ตอบแล้วใช่ไหมคะ ข้อสองเวลาเวทนามันเกิดขึ้นแทงจี๊ดขึ้นมาจิตก็ไปรับรู้อาการเจ็บนั้นเราต้องไปอยู่กับลมหายใจจะกลายเป็นสองอารมณ์หรือไม่หรือหรือไม่รับรู้เวทนาไม่ได้ความเวทนา mm hmm. เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตไปรับรู้อาการ แต่ให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจจะกลายเป็นรู้สองอารมณ์หรือไม่จะกลายเป็นรับรู้สองอารมณ์<อ>ทั้งอารมณ์เจ็บแล้วก็ดูลมหายใจด้วยในเวลาเราปฏิบัติอนาปานสติเราต้องฝึกจิตของเราเพื่อจะสามารถกำหนดรู้ลมเข้าลมออก อย่างติดต่อต่อเนื่องแต่ในเวลาที่สติสมาดิยังไม่ค่อยมีกําลังจะมีฟุง้งถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อต่อเนื่นนานนานวทนาก็จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถกำหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อต่อเนื่นนาน น, าน สมมติว่าสามารถกำหนดรู้ลงได้ถึงสิบนาทีติดต่อต่อเนื่อไม่มีเวทนาในสิบนาทีถ้าสามารถกำหนดรู้ได้ถึงสิบห้านาทีติดต่อต่อเนื่อมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาถ้าสามารถกำหนดรู้ลงได้ถึงชั่วโมงอย่างติดต่อต่อเนื่อมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาตัวยเบาสบายบางที <speaks S 2> ผู้ปฏิบัติได้ประสบเหมือนตัวลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่าสมาธิเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถกำหนรู้ได้อย่างติดตอดตอ น, นั้นนานๆวิทนาก็จะเกิดขึ้นในช่วงเ ใ, ในช่วงแรกวิทนาที่เกิดขึ้นนั้นแค่นิดเดียวตอนนั้นไม่ต้องไปกังวลแค่วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูลมต่อไป ตอนนั้นต้องพยายามอยู่กับลมโดยวางอุเปขาอุเปขาที่เกิดขึ้นแต่จิตก็อาจจะไปรู้เวทนาบางครั้งบางคราวแต่ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเรามีเจตนาจะอยู่กับลมเพราะฉะนั้นพยายามอยู่กับลมถ้าสามารถกำหนรู้ลมได้มากขึ้น วทนาจะน้อยลงจะลดลงไปเองถ้าสามารถกรรําเนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตอนนั้นนานๆติดต่อตอนนั้นมากขึ้นเวทนาจะหายไปได้แต่ถ้าเราไปรับรู้เวทนาบางครั้งบางคราวในเวลาที่เราพยายามอยู่กับลมอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามีเวทนาอยู่ เพราะฉะนั้นบางทีก็จิตอาจจะไปรู้เวทนาได้แต่แค่ไม่ไปพิจารณาหรือไม่ไปดูเวทนาด้วยจิตนาอันนี้สำคัญแค่อยู่กับลมเดอนไปแต่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้เวทนาจะมากขึ้นถ้าเวทนามากขึ้นอันนี้จะลบกวรกณกาหกำนดรู้เราถ้าเวทนามากขึ้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบท ถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่ก้าวหน้าคำถามต่อไปนะคะขณะที่นั่งสมาธิรู้ลมเข้าลมออกไปสักพักหนึ่งเมื่อลมละเอียดมากขึ้นเหมือนกับเคลิมครึ่งหลับครึ่งตื่นจะทำอย่างไรดีคะให้รู้สึกตัวตื่นตลอดเวลาอีกครั้ง <laughs> เมื่อเวลานั่งสมาธิ ก็รู้ลมเข้าลมออกสักพักหนึ่งลมละเอียดมากขึ้นจะมีความรู้สึกว่าเป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นจะทำอย่างไรดีคะถ้าเราปฏิบัติอนามบานะมากขึ้นมากขึ้นลมละเอียดมากขึ้นมีผู้ปฏิบัติบางคนที่สามารถกรเนิรู้ลมที่ละเอียดได้อย่างดีเหมือนกัน ถ้าสามากกรถกำหนดได้ดีมีความสุขสงบตอนนั้นไปเย็นดีความสุขสงบเพราะฉะนั้นครึ่งหลบับครึ่งดืง่บางทีก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไปเย็นดีความสุขบางทีไม่ไม่ใช่ครึ่งลงระหวังได้เหมือนกันลงผ้าวังไหมเข้าใจไหม ลงพะวงหมายความว่าเข้านอ น, นอันนี้เกิดขึ้นในเวลาที่มีความสุขสงบเพราะว่าคนเราชอบความสุขสงบถ้าความสุขสงบเกิดขึ้นไปยันดีมันลืมที่จะอยู่กับลงเพราะฉะนั้นลงพะวงลงพะวงหมายความว่า นอนหลับดี <laughs> คำถามต่อไปได้เลยนะเจ้าค่ะขอพระอาจารย์อธิบายคำแปลสมถยานิกกับวิปัสสนาญานิกอีกครั้งขอบพระคุณเจ้าค่ะจากคนใหม่มากๆเ <laughs> คืนนี้มีการแสดงทำไหม มีค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นก็อาตมาจะแสดงทำเนียวทางปฏิบัติของสมถะญาณิกคือสมถะญาณิกและเนวทางปฏิบัติของวิปัสสนาญาณิกคืนนี้เลยพรุ่งนี้เพราะว่าต้องอธิบายอย่างละเอียดที่นี่เวลาจะไม่พอคืนนี้อาตมาจะแสดง ลำดับต่อไปนะคะเวลานั่งสมาธิแล้วปวดเข่ามากไม่สามารถยืนได้นานๆเพราะปวดมากแต่ถ้าเปลี่ยนให้พระอาจารย์สอนกําหนดลมหายใจนั่งสมาธิหลังพอนั่งนานๆแล้วใครเมื่อยก็ขอให้เดินสมาธิตามอัธยาศัยจะดีกว่าไหมคะไม่อยากทําสมาธิยืนนานๆเพราะยืนนานๆไม่ค่อยจะ ม, มีอาการทรงตัว และไปรบกวนคนข้างๆเสียสมาธิค่ะอันนี้ต้องขออธิบายนิดนึ่งนะจ๊ะค่ะเมื่อกี้ท่านโพธิญาณให้ยืนสมาธิด้วยอะจ๊ะค่ะเขาก็เลยว <c oughs> ิเคราะห์ตัวเขาเองว่ายืนนานๆแล้วก็ปวดเขา่า <c oughs> ก็ขอให้นั่งนานๆก่อนแล้วก็ค่อยอนุญาตให้ใครเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนสมาธิค่ะ เกี่ยวข้องกับคำถามนี้อตาตมาจะเล่าให้ฟังประสบการณ์ของลูซิค น, นึงจากประเทศประเทศประเทศจีนหลายปีที่ผ่านมาอตาตมาจำได้ว่าสิบปีที่ผ่านมามีลูซิค น, นึง ในวันที่มารายงานก็บอกว่าพระอาจารย์ในเวลาปฏิบัติอนาปานาสติมีเวทนามาอเดี๋ยวเจ็บที่นี่เดี๋ยวเจ็บที่โน่นทำยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่หาย ชาวจีนก็เป็นชาวที่สนใจในการออกกำลังกายในการรักษาตัวเองอย่างมากก็ผู้ประบาทคนนั้นก็พูดต่อถ้า โยมกลับไปแก้ปัญหานี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆจะกลับมาปฏิบัติดีไหมเขาอยากจะแก้ปัญหาอะไรวีทนาใช่ไหมอาตมาก็ถามเขาโยมอยากจะแก้ปัญหานี้ไหมข้าอยากจะแก้ปัญหานี้ จริงๆถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลับปะเที่จินไม่ต้องไปหาคนหมอคนหมอไม่มีคนหมอใดๆที่สามารถแก้ปัญหานี้ถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้อาตมาจะแนะนำจะทำยังไงอาตมาบอกเกรกมหนูรู้เลให้เปลี่ยนติดต่อตอนนั้นมากขึ้น ถ้าสามารถกำเนิดรู้ลงได้อย่างติดต่อตอนนั้นสิานาทีอัตมาสัญญาเวทนาจะไม่เกิดขึ้นถ้าสามารถกำเนิดได้ถึงได้ติดต่อตอนนั้นนานถึง30นาทีสัญญาถูกไหม I promise สัญญาใช่ไหมอัตมาสัญญาจะไม่มีเวทนามีแต่ความสุข ถ้าสามารถกาโดดได้ถึงสี่สิบานนาที่ติดต่อตอนนั่นมีแต่วความสุขไม่มีเวทนาโยมก็ไปปฏิบัติดตอสี่ห้าวันหายไปเดี๋ยวก็มารายงานในเวลาศบอารุงพระอาจารย์หายหมดเลยครับ <c oughs> หายอะไรหมด ไม่เกิดไม่เวทนาไม่เกิดทำไมสามารถกาหนดรู้ลงด้อย่างติตโตตอนนั้นมากขึ้นนานขึ้นติตโตตอนนั้นมากขึ้นจิตที่รู้อารมณ์เดียวมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นรูปที่เกิดจากสมาธินั้นประณีตอันนี้ขยายทั้งตัวขยายแทนรูปที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งตัวบาวสบาย เพราะฉะนั้นไม่เวทนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คำถามไม่โดยตรงแต่ว่าอัตมาเนะนำบุคคลที่มีข่าวเจ็บปวดอย่าไปกันวลพยายามกกำหนดรูล้ลงถ้าสามารถกำหนดรู้ได้อย่างติดต่อต อ, ตอ น, นั้นนานๆอันนี้จะไม่เกิดแก้ปัญหานี้ได้ เพราะฉะนั้นพยายามนั่งปฏิบัติเท่าที่สามารถแต่บางครั้งนั่งไม่ไหวเขาปวดตอนนั้นควรยืนปฏิบัติเหมือนกันดีกว่าไปดินจงโกรงถ้าไปดินจงโกรงในเวลานั่ง ก็มีการเคลื่อนไหวแม้ไงที่จะกำเนดรู้เรในช่วงแรกแต่ที่สําคัญนั่งปฏิบัติคืออิทิบาตที่สําคัญที่สุดแต่ยังไงผู้ที่ปฏิบัติอย่างติดต่อต่อเนื่องสมามเสมอบางทีก็เมื่อยเหมือนกันแต่เขาไม่อยากไปทำอะไรไปไม่อยากไปทํา สิ่งอื่นๆแค่อยากจะปฏิบัติต่อไปแต่นั่งไม่ไหวแล้วก็ธรมาก็แนะนำเปลี่ยนอิทยบิบาตเปลี่ยนแต่กายเปลี่ยนแต่อิทธิบาตไม่ให้เปลี่ยนจิตยืนปฏิบัติดยกรรมหนรู้ลงแล้วก็ผ่อนคลายดีก็นั่งต่อไปอีก อย่างนี้ต้องปรับตัวเองถ้าจำเป็นเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นควรทำถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำเข้าใจไหมคำถามนะคะ <c oughs> เวลาลมหายใจสั้นหรือยาวต้องกำหนดรู้หรือไม่ไม่ต้องบริการว่าสั้นหรือยาวให้รู้ว่าตัวเอง ก, กำลังกำหนิดรู้ ลมที่สั้นลมที่ยาวเกะเคกบริการว่าเข้าออกโดยรู้ว่าเดี๋ยวนี้ลมยาวลมสั้นแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปบริการว่ายาวสั้นเรื่องอานาปานาสติมาใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อมีสิ่งเข้ามากระทบทําให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจเมื่อ ใจรับรู้แล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรควรดูอารมณ์นั้นจนรู้สึกดับความรู้สึกดับไปหรืออุเบกขากลับมาดูลมหายใจต่อไปคำถามว่าเมื่อปฏิบัติอนาปานสติในประจำวันแล้วมีสิ่งที่ไม่พอใจหรือพอใจมากระทบเราควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไร คือควรดูจนอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นดับไปหรืออูเบกขามาดูลมหายใจต่อไปในชีวิตของเราเราควร กจิตของเราเพื่อจะไม่ไปล่กมมือกับสิ่งที่ทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตของเราเรามีนิสัยที่ร่กมมืออะไรมากระทบเราก็ไปล่กมมือกับมัน สิ่งดีดีมากระทบ ก, ก็บไปร่วมมือสิ่งไม่ดีมากระทบ ก, ก็บไปร่วมมือใช่ไหมชอบ <c oughs> อันนี้เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอยู่แบบมีความสุขชีวิตที่เหลือเราต้องฝึก เพื่อจะยอมรับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีแต่โดยไม่ไปโลกมือเข้าใจไหม ย, ยอมรับยอมรับโดยไม่ไปโลกมือปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าไปโลกมือ ทำไมเราควรยอมรับทำไมเราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุเข้าใจไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ เมเดตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูงบุงในทุกอย่างสูงบุงสูงบุงเตมีคนมาตำหนิใช่ไหมมีคนมา accuse ม, มาตำหนติติเตียนท่านนะอ มาทำหนดติดเตือนติดเตียนเตียนมาทำหนีท่าน่ะติดติเตียนติดเตือนติดเตียนเตียงอเตียงติดเตียงใช่ไหมเมเจาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกกระทำแบบนี้สงบูรณ์มาก อันนี้เกี่ยวข้องกับการรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตที่ปัญญายาไม่เกล้าในชีวิตนั้นได้ทาสิ่งที่ไม่ควรอ น, นี้ติดตามมาเมื่ในเวลาที่รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางให้ผลเหมือนกัน เพานั้นอะไรที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ดีตามกรรมของเราอย่าไปปฏิเสธเราต้องให้ตัวเองพร้อมที่จะยอมรับถ้าไปปฏิเสธถ้าไปทะเลาะกับมันถ้าไปลุกมือกับมันกรรมที่เกิดขึ้นจะมีกำลังมากขึ้นเดี๋ยวจะให้ผลต่อในอนาคตอีก เพราะฉะนั้นยอมรับโดยความเข้าใจยอมรับด้วยความเข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุเหตุคือกามของเราเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติเราต้องยอมรับโดยไม่ไปลกมือเข้าใจไหม อันนี้เป็นที่โยมทั้งหลายต้องฝึกตัวเองถ้าอยากจะมีอยากจะอยู่อยากจะอยู่ชีวิตของตัวเองถ้าอยากจะอยู่แบบมีความสุขโยมทั้งหลายต้องฝึกเพื่อจะยอมรับโดยไม่ไปลูกมือโดยสิ่งดีๆโดยสิ่งชั่วที่โยมชอบที่โยมไม่ชอบก็แล้วแต่ต้องฝึกเพื่อจะยอมรับ โดยไม่ไปลูบมือถ้าทำแบบนี้ทุกคนจะเ ก, ก, กล้ามากขึ้นแล้วก็จะมีความเข้าใจอยู่ชีวิตอย่างไรต่อไปอันนี้สามารถช่วยในการปฏิบัติได้เหมือนกันเดี๋ยวมารกระทบเราก็ไม่ไม่ไปลูมือกับมันสามารถกลับมาดูลงได้ถ้าไปลูบมือกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ดีก็ลบกวนกังกรรมนรู้เราสิ่งชั่วก็ลบกวนกังกรรมนรู้เราเหมือนกันไม่ไปลบมือหม่ควาว่าวางอุเบกขาเข้าใจไหมยอมรับโดยไม่ไปลบมือแค่ไม่ไปลบมือไม่สงบุรณ์ยอมรับโดยไม่ไปลบมือหม่ยควาว่า อะไรที่เกิดขึ้นเรายอมรับเพราะว่ามีเหตเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมามีคนเช่นโชยอมรับอย่าไปลูกมือมีคตาตำหนิดถูกตำหนิตยอมรับอย่าไปลูกมือดำรงชีวิตต่อไปสิ่งที่จำเป็นมีกำลังจะไม่เสียเวลา ม่อย่างนั้นเสียใจทำอะไรไม่ได้ทรมานแล้วน้ำตาไหลอยู่ชีวิตไม่มีความสุขแล้วเพราะทำไมเพราะว่าไปลูกมือกับมันใช่ไหม ถ้าเงินทัศสามารถปฏิบัติถ้าสามารถยอมรับโดยไม่ไปลูกมือเราสามารถกลับมาดูอารมณ์กรรมฐา น, นได้มากขึ้นมีกำลังมากขึ้นความความสามารถจะมากขึ้นด้วย คำถามนะคะการกำหนดรู้รมที่มากระทบบริเวณภายนอกจมูกหรือบริเวณรอบปากเป็นลมที่อยู่รอบตัวเราหรือเป็นลมหายใจของเราคะลมที่มากระทบที่จมูกหรือที่ริมฝีปากเป็นลมภายนอกหรือเป็นลมหายใจของเราคะในเวลาหายใจเข้าหายใจออกหายใจกระทบ ลมกระเทยที่ใดที่หนึ่งปลายจ ม, มูกหรือบนฝีปากอันนี้ก็เป็นลมหายใจของเราเพราะว่าอันนี้ออกมาเพราะฉะนั้นอ น, นี้กระเทยที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไปการบน ถ้ารู้ลงที่ไหนกำหนดรู้ลงที่นั่นไม่ต้องไปสงสัยอันนี้ของเราหรือของของของของเขาอันนี้ของเราแค่ไม่ต้องไปสงสัยและไม่ต้องไปพิจารณาสิ่งแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์คำถามต่อไปนะเจ้าค่ะการกําหนดลมในช่องท้องใช้ได้ไหมคะ กำหนดได้ไหมคะลมในช่องท้องคือไปดูอาการพองอาการยุบ<อ>ไปดูลมใช้ได้ไหมคะคำปฏิบัที่ปรากฏในวิสุเดมะเกี่ยวข้องกับอนาบานาสติมีหลกักที่จะกำหนดรู้แค่ลมแถวๆนี้บางคนลมชาต ที่ปลายจมูกบานคนชาติที่ฝีปาทบนผีฝีปาเพราะฉะนั้นเราควรกำหนิดรู้โลมแถวๆนี้อันนี้เป็นแาวทางปฏิบัติอนาปานาสติที่อธิบายไว้ในวิสุดีมากไม่ได้ อธิบายว่าต้องกำหนดรู้ลมที่ช่องท้องที่พองยุกใช่ัหมอันนี้ไม่ใช่อนาบานะสติพองยุกคืออะไรถ้าหายใจเข้าใช่ไหมหายใจออก อันนี้ลักษณะพลัดเข้ใจไหมเข้าใจั้ยลักษณะพลาดอันนี้ทาตโลงผู้ใ ด, ดที่บดีบัตรผู้ใ ด, ดที่ไปใส่ใจพองยุคอันนี้คือการพิจารณาลักษณะพลาดที่เป็นโลงที่เป็น ธาตุโลในกรรมฐาน40สมีธาตุกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานชนิดอันหนึ่งธาตุกรรมฐานคือธาตุสีไม่ใช่ธาตุหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติธาตุกรรมฐานก็ต้องปฏิบัติธาต ธาตดินธานุน้ำทัตุไฟธาตุโลห์ลักษณะผลักอยู่ในธาตุโลห์แต่ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธาตุสีกรรมฐานลักษณะทั้งหมดที่ต้องพิจารณาทั้งหมด12ลักษณะในธาตุ ด, ดินมีหลักษณะแข็งลักษณะหยาบ ลักษณะหนักลักษณะนุลักษณะเรียบลักษณะบาอันนี้เป็นลักษทัดดินกี่ลักษณะหกในในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนลักษณะทัดน้ำ <c oughs> ลักษณะหลายกกลักษณะเกาะกุ้งเกกาะสองในเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทัดไฟลักษณะร้อนลักษณะเยน็นในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทัดโลลักษณะผลักและลักษณะข้ามจุน ทั้งหมด12ถ้าอยากจะปฏิบัติธาตุกรรมฐานก็ต้องกปฏิบัติลักษณะ12ตามลำดับไม่ใช่แค่ลักษณะพลาดเพราะฉะนั้นถ้าไปใส่ใจพองยุกอันนี้ไม่ใช่อนาบานะถ้าอย่างนั้นก็เป็นาธาตุกรรมฐานไหมก็ไม่ครบ ถึงเคร่งไหมก็ไม่ถึง 10% ใช่ไหมก็เลยอันนี้ไม่ใช่แบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ขอความเข้าใจในการที่จะต้องมีเบาะเล็กรองบนเบาะใหญ่ก่อนจำเป็นมากน้อย และเป็นปัจจัยในการนั่งสมาธิด้วยไหมครับการนั่งบ่อันเล็กอันใหญ่บ่อันเล็กรองอยู่บนอยู่บนบะ อ, อันใหญ่จเป็นมากน้อยไหมเขาไม่ได้พูดความสูงนะเจ้าค่ะสำคัญสาคัญถ้าโยนั่งบนบอกอันใหญ่ที่ความสูงเท่ากัน ถ้านั่งนั่งบนบอกอันอันใหญ่ที่ความสูงเท่ากันร่างกายเอียงนิดหน่อยเอียงนิดหน่อยเราต้องตั้งร่างกายให้ตรงตรงด้วยเจตนาด้วยความเพียงเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันอาการดึงจะเข้ามาอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งบนบอกอันเล็กที่วางบนอันใหญ่อันนี้ช่วยทำให ตัวตั้งร่างกายตรงอันนี้ช่วยทาให้ร่างกายตั้งตรงไปเองเราไม่ต้องใช้ความเพียงมากอันนี้กลายเป็นธรรมชาติแล้วก็นานการปฏิบัติเวลายาวนานอันนี้สามารถช่วยเราได้ตามประสบการณ์อันนี้ดีมากน่าจะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีลมหายใจจะกำหนดดูที่อะไรเพราะนั่งสมาธิแล้วกำหนดรู้แค่ดวงจิตและเหมือนมีกายซ้อนอยู่ในกายแต่ไม่รับรู้ลมหายใจค่ะนี่ก็เป็นคำถามที่อาตมาได้อธิบายมาแล้วถ้าลมละเอียดมากขึ้นลมก็จะหายไปเังนั้นไม่ต้องการวน อย่าไปใส่ใจอันนี้อย่าไปใส่ใจอันนูน้นที่สำคัญต้องทาให้จิตสงบปล่อยทั้งหมดอย่าคิดอันนี้อย่าคิดอันนั้นอย่าทำอะไรเลยทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบ ด, ดีด้วยจิตนี้ถ้าโรแถวๆถวนี้ลมจะกลับมาแต่ถ้าไปใส่ใจอันนี้ไปใส่ใจอันนูน้นลมจะไม่กลับมา